ดูนั่งกันอยู่เนี่ยทุกๆกันเท่านั้นแหละไม่มีคนรวยสักคนหนึ่งรู้แล้วจะมาจิ้มใส่แล้วไม่ออกจริงๆนะไม่มีคนรวยสักคนคนทุกข์น่งทุกอะไรทุกกายทุกใจตัวเองไงทุกวันมันก็ดูอย่างอย่างแค่นี้แหละอะไรมันทุกทุกที่สังขารไงเห็นไหมสังขารมันทุกทุกคนละดูให้มันดีๆอย่างอื่นไม่มีทุกอย่างอื่นไม่มีไม่มีเอาความทุกขให้เราเลยมีแต่สังขารเท่านั้นที่เอาความทุกข์มาให้เราตลอดไปเลย เอาอยู่ยังไงก็อยู่ไงดูให้ดีๆเอเดี๋ยวมันปวดมันเจ็บมันก็อยู่ที่นี่แหละไอ้ฟันสุกมันมาจากไหนไม่มีเลยไอ้สังขารนี่เอาจะปวดจะเจ็บมาให้ยิ่งแก่ก็ยิ่งปวดหนักเหมาะเดินไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นแหละตัวทุกข์มันไม่ได้ทุกข์ที่อื่นเลนะทุกข์ที่สังขารตัวเองแต่ใจมันก็ทุกข์เหมือนตัวเองหาใครหาให้มันตัวเองหามาเอใจนี่ไปหามาเองมันไม่มีที่อื่นหามา มันทุกทุกที่ใจเวลาสังขารมันเจ็บก็เจ็บที่ใจตัวนี้มันเป็นเจ้าของบ้านไม่เป็นที่อื่นตัวเจ้าของบ้านแท้ๆเลยกลับมาอันไหนก็เป็นเจ้าของบ้านคือของกูทางนั้นเห็นไหมปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็กลัวปว ด, ปวดไม่มีใครปวดกับมันแมันปวดเองไม่แยกแยกออกจากกาันเวทนาก็เหมือนกันนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปวดขึ้นมาอีกแล้ว อันนี้จะกจะนั่งนั่งภาวนากันนะนั่งอะไรอย่างก็นั่งเพราะว่านั่งเพราะว่ามันปวดมันเจ็บเดี๋ยวก็นั่งไปหน่อยก็เขาจะบอกเลยบอกว่าอกิเลสมันจะบอกว่าอย่าไปนั่งเลยนะนั่งนานไม่ดีหรอกอเดี๋ยวพรนี้ไปทํางานไม่ทันแต่ที่จริงมันไม่ได้ว่าหรอนะแต่ใจตัวเองอะไรคิดเองทําเองตัวปรุงตัวแต่งก็คือใจอตัวสังขารคือตัวทุกขอือดูให้ดีๆ เห็นที่ไหนเห็น ท, ท, ท, ท, ที่ใจทุกที่ไหนทุกที่ใจทุกที่ไหนสังขารตัวพร้อมเลยเนั่นแหละตัวทุกแท้ๆเลยเดูให้มันแน่ๆดูที่ใจให้มันแน่ๆดูที่ตัวเองดูที่สังขารบางคนเขาจะว่าเก็บใจเก็บใจใช่มันเป็นมันเป็นคนละตัวนะสังขารกับตัวเองกับใจนี่มันคนละตัวกันเลยไม่เปตัวเดียวกันดูให้มันดีๆ ด, ดูให้มันเห็น เดี๋ยวคิดถึงคนนู well, you, you ้นเดี๋ยวคิดถึงคนนี้เดี๋ยวคนนู้จะว่าอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้จะว่า่างั้นแต่จริงตัวเองคิดเองแต่จริงเขาจะว่าไม่ว่าไม่รู้อีกบางคนรวยจะไม่รู้จะรวยไงหาว่าตัวเองทุกข์อีกทุกอะไรทุกใจหาตัวทุกข์แท้ๆมันไม่มีมันทุกข์อยู่ที่ใจตัวเองนั่นแหละดูดีหาตัวทุกข์หาได้แต่หาตัวสุขมันหายากดูให้มันดีๆเพราะว่าตัวสุขอ่ะ ตัวทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนก่อนจะสุขดูให้ดีว่าจารย์เล่าให้ฟังได้เนี่ยทุกข์มาไม่รู้ทุกข์ทางไหนนะทุกข์ทุกข์นัดเลยทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนแต่เวลาสุขสุขไม่มีอะไรเหมือนกันสุขได้ดีจริงๆเลยสุขที่ไหนสุขที่ใจทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจมันทำไมถึงทุกข์อยากจะเห็นนั่นก็อยากล่าอยากรวยอยากอะไรไอความอยากมันตัดไม่ได้รอกคนเรา มันยังมีโลกอยู่โลกก็ทำให้มันอยู่ครึ่งๆกันดูเด้มีโลกบ้างมีธรรมบ้างมันจะได้พร้อมกันเพราะว่าบางทีมันจะได้คิดว่าเออไอ้นั้นมันเป็นโลกโลกนี้เราหักมันใช้ธรรมทุกอย่างมันคิดได้มันพร้อมแล้วพร้อมที่ไหนพร้อมที่ใจพร้อมที่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ใจโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้ามีโลกอย่างเดียวฆ่ากันตายหมดเหรอไม่มีเหลือคิดดูดีๆ ปวดที่ไหนปวดที่ขามันปวดเอาลองว่าอยู่หรือเปล่ามันปวดที่นั่งสมาธิดูดีนั่งไปแล้วแบบว่าเอา้ามึงไม่ตายกูตายลองเล่นกับมันดูดิแต่ปวดขาหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าปวดเต็มที่แล้วมันหลุดนะเออนั่งนี่มันหลุดไม่ใช่ว่าไม่หลุดมันตั้งได้มันล้มได้เออปวดแข้งปวดขาเนี่ยตัวนั่นแหละถึงเวลาแล้วมันจะเป็นสมาธิอืมถ้าไม่ได้อย่างนั้นพระนี่นะต้องไปหาที่กลัว กลัวอะไรที่ไหนมันกลัวป่าช้าตรงไหนมันกลัวตรงนั้นแหละไปเวลามันกลัวมันไม่หนีกิจมันไม่หนีจากตัวเองมันกลัวผีหลอกถ้าไม่เชื่อลองดูไปดูเมนเอาใครจะไปนั่งก็ได้สักคนหนึ่งเอาคิดหนีไปไหนไม่ไปหรอกเพราะอะไรมันกลัวกลัวผีหลอกถ้ามันบดอะไรที่ไปจริงๆเอาอดข้าวทรมานขนาดไหนอดข้าวเอาอดไปอดไปมันไม่หนีอีกแล้กิจทุนชุนชุนบานแค่นั้นและ มันจะหนีไปไหนมันหิวข้าวอ่ะโดดสักสี่ห้า 4, วันสองําวันมันก็หิวหิวมันจะไปไหนคิดไปไหนมันก็ไม่ไปนั่นเอาถึงขนาดนั้นแต่สําหรับพระออกแม่คงไม่ได้ทําพีงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็อยู่ของเราได้มันค่อยๆทําไปเอาแท่บุญบุญใครทําเราทําถึงจะได้คนอื่นทําให้ไม่ได้นอกจากตัวเองเท่านั้นอบาปที่ไหนบาปอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ใจคิดดูให้ดีๆบุญที่ทำแล้วได้ ตัวช่วยเอาไปได้คืออะไรคือบุญผู้ใดเห็นที่มาถามถามเองตอบเองเลยผู้ใดเห็นก็ผู้ปฏิบัติได้เห็นเห็นตัวตายตัวรู้ตัวเกิดตัวตายอยู่ไหนตัวไหนมันตายตัวไหนมันเกิดตัวไหนมันเป็นรุนตัวไหนไม่เป็นบาปกเกิดกี่ชั้นกี่หนมันรู้รู้ที่ไหนรู้ที่ใจผู้รู้คือใครผู้รู้คือตัวเองผู้ปฏิบัติเท่านั้นตัวรู้มันไม่อยู่ ถึงนอนอยู่นี้มันก็ฝันฝันไปมันยังรู้เลยตัวรู้มันจะติดตามอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมกิจตัวหนึ่งใจตัวหนึ่งสติตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึ่งมันคนละตัวกันดูให้มันดีดีดูให้เห็นหเห็ น, หหนที่ไหนเห็นที่ใจเราทุกที่ไหนทุกที่ใจพวกปรุงแต่ ง, งคือใครคือใจที่อื่นไม่มีนี่แหละที่มันปรูงแต่ ง, งดูให้มันดีดีดูให้มันเห็นเห็นทุกอย่างที่เราต้องการจะเห็นถ้ามันปวดตรงไหนกิตจี้มันเข้าไป จิตของตัวเองมันทะลุถึงภูเขาจิตจีมไปเข้าไปค่ะรู้เช่นตัวไหนมันปวดเช่นตัวไหนมันเจ็บมันละได้ไหมละได้แต่พอละมันปวดเขาจิเวทนาน้าไม่เวทนานมเวเลยนะสติไม่มีแล้วก็ไอ้ไอ้เน้ยไม่มีสมาธิไม่ได้อย่าไปคิดว่าเจ็ดวันสิบห้าวันไปขอไอ้ไปทำเขาบอกอ่าทาสมาธิทำอะไรต่ออะไร ไ, ไปอะไรภาวนาอะไรสักเจ็ดวันสิบห้าวันอะพระเขาเรียกไป ถ้ามันได้เจ็ดวันสิบห้าวันโอ้โหเขาเป็นอรหันต์กันหมดแล้วเขาไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเจ็ดวันมันจะได้แต่ภานี้อย่างนี้น้อยต้องสองปีก่อนจะเป็นสมาธิได้ก็จะได้เอาได้สมาธิคืออะไรอ้าวได้สมาธิไม่จํากว่าสองปีดูหนังสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลตามโูลละสองปีไอปีก็ยังไม่มีด้วยมันต้องสองปีขึ้น ไอเขาว่าเอาไปปฏิบัติทำเกตวันสิบห้าวันไปทําไมอ่าไปดูกันไปคุยกันได้ไหมได้ได้อะไระได้คุยกันไม่อยู่แค่เนี้ยเอาให้มันแน่นที่ว่าอยู่ที่บ้านเราทําได้ไหมมันไม่มีเพื่อนเนี่ยไม่มีคนจะคุยด้วยไงอยู่ที่บ้านก็ทําได้ขอให้มันติดต่อแต่ละวันอย่าให้มันขาดขาดคือต่อวันละชาตินาทีสิบนาทีทําไปเถอะสุกอยู่แี่สุกอยู่ที่ใจทําอยู่ที่ทําอยู่ที่ใจเรา ตัดที่ไหนตัดที่ใจละที่ไหนละที่ใจเราอย่าไปละที่อื่นดูให้มันดีๆไม่ต้องไปหาเราที่อื่นนะ่ะบุญอยู่ใี่นบุญอยู่ที่เราเนี่ยอวันไหนใจดีเป็นบุญวันไหนใจไม่ดีเอาฮั่ะวันนั้นอ่ะโมโหเมื่ อ, อไหร่ก็เป็นบุญที่ไหนละ่ะมันเป็นบาตรดิโดนดา่าใครมากวนก็หยุดด่าเลยอะเพราะอะไรบุญมันไม่มีล้วถ้าโมโหถ้าไม่โมโหนี่บุญทางนั้นนะจะใส่บาตร ท, ทาบุญนี่เอาดูดิ มันได้บุญตั้งแต่ตอนเย็นที่หงข้าไวไปแล้วมันเป็นบุญเลยนะจิตใจเป็นบุญมันก็เป็นบุญวันไหนแม่สบายอย่าไปใส่เลยใส่บาตรนะมันบาปบาปที่ไหนบาทที่ใจมันโมโหเงี่ยไม่เชื่อลองดูในครอบครัวก็เหมือนกันใครทำให้วุ่นวายคือพ่อกับแม่เท่านั้นแหละเจ้าของครอบครัวนะ ทำให้วุ่นวายหมดทั้งบ้านแกคนคนเดียวแห่นั้นทำขึ้นได้ถ้าเข้าใจกันจนะสุขสุขทั้งบ้านเลยถ้าไม่เข้าใจกันนะ่โอ้โหอย่าพูดเลยอาธมาว่ามันหนักแต่คนจะขึ้นก่อนก็คือแม่แหล ะ, ะ, ะพ่อยังไม่เท่าไหร่แล้วรีบไปเลยแล้วยินเสียงพูดเพราะรีบไปเพราะอะไรวะเด๋ยโดนหางต้องรีบไปแหละ นั่นแหละคนที่ทําให้วุ่นวายในครอบครัวก็ตัวนั้นแหละอคนที่ทําไม่เป็นบุญก็แม่บ้านไงพอ่อพ่อบ้านนี่รู้สึกว่าจะยากอยู่นานๆจะทํานอกจากกินกินเหล้ามาไอสินห้าอย่าไปถือด้วยตัวอื่นถือเหล้าตัวเดียวเท่านั้นพอลงมาตรงนี้หมดข้าพ่อแม่ก็ได้ขอให้ได้กินทําอะไรก็ได้เมียเ้าก็ทําได้ ค่าอะไรทำอะไรก็ได้เช่นนั้นขอให้ได้กินเข้าไปไม่พูดก็พูดไม่ด่าก็ดา่าบางทีนอนทั้งคืนเนะ่ยเมียตจนลาคาญกับลูกอ่ะหนีไปนอนที่อื่นพ่อแล้วนอนบ่นอยู่คนเดียวเพราะว่าเมาหั่นไงสินห้าจะไปถืออะไรถือตัวเดียวไั้นะตัวอื่นมันจะมีไหมไม่มีมันลงตรงนั้นหมดแหละไม่มีอะไรที่จะทำํำไม่มีอะไรที่จะลงลงตรงนั้นแหละสินห้าตัวเดียวลงตรงนั้นแหละสุราตัวเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มี อยากสุขละอยากทุกข์หาเอาเวลาทำบุญให้พ่อให้แม่ใครทำเราทำใครได้เราได้พ่อแม่ได้ไหมไม่มีทางมันจะไปได้ยังไงพ่อแม่ตายไปแล้วจะไปได้ยังไงมันไม่ได้คนไม่ได้ทำไม่ได้คนทำเท่านั้นที่ได้ดูให้ดีๆผู้ทำเท่านั้นที่ได้ได้บุญทุกอย่างคือผู้ทำเท่านั้น ทำนาได้ข้าวทำงานได้เงินเดือนเดี๋ยวไปคิดไอ้นั้นมันเป็นประเพณีของสมมตุติที่มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่เสร็จแล้วที่ได้คือใครที่ได้คือผู้ทําเท่านั้นที่จะได้ผู้อื่นไม่มีทางเอาให้เห็นเห็นที่ใครเห็นที่ใจเห็นที่ตารู้ที่ใจผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเห็นตัวไหนมันตายสังขารตาย แต่ใจเกิดล้านเปอร์เซนแน่นอนตายกี่ชาติก็รู้ถ้าถึงเวลาของมันเราต้องปฏิบัติให้รู้รู้ที่เราไม่รู้ที่คนอื่นตัวรู้มันมีอยู่เอาให้เห็นเอาให้แยกแยกออกให้ดูให้ได้เอาเข้าจริงๆขอให้ปฏิบัติได้ก่อนให้เป็นสมาธิเดินปัญญาเข้าไปไอสมาธินี้มันก็สุกแล้ว โดยมากพัดไปติตสุกตรงนั้นมันไม่รู้ไม่ออกก็เหมือนกันประจิตสุกแล้วถ้าเป็นสมาธิปูมันเป็นไม่เป็นตนเป็นตัวแลหละขาเถอะไม่ต้องสนใจมันแหละมันจะปวดยังไงเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตัวตัวไม่เป็นตัวไม่เป็นตนแล้ะตัวรู้มันมีเอานั่งเข้าไปเหยีนั่งสู้มันก็มึงไม่ตายกูตายลองดูดิไม่ต้องเจ็บปวดมันเอามันจะหลุดก็ให้มันหลุดไปมันจะตายก็ให้มันรู้ไปสิมันไม่ตายบางคนนั่งไปนั่งมาเอ้า นั่งรู้พุทโธพุทโธหายแหละเอาพุทโธหายมันไปอยู่ไหนล่ะคิดว่าตัวเองจะตายอ่อมมันไม่ตายถ้าพุทโธหายปุ๊บเอาตัวรู้จับด้วยตัวรู้มันมีนี่มันหายไปไหนล่ะหายไปไหนก็ช่างมันเอาตัวรู้จับไว้อือถ้ามันได้ชินแล้วนะถ้ามันชินเรียบร้อยเลยนะไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันชินแล้วมันเคยชินเอาจนเอาจนอยู่ได้อะ่ะคิดไปไหนไม่ไปนั่นแหละตะนิเดินปัญญาให้มีสติให้มีปัญญา เดินที่ไหนไม่ต้องไปเดินที่คนอื่นไม่ต้องไปมองดูคนอื่นอย่าไปมองไม่ต้องมองคนอื่นหรอกดูที่ใจตัวเองดูที่ตัวเองอาการสามสิบสองนี่มันครบแล้วดูที่ไหนก็ได้ที่ใจตัวเองมันชอบชอบที่สังขารชอบตรงไหนเอาตรงนั้นเลยขึ้นก่อนเลยเสนอก่อนก่อนต้องพามันเดินก่อนถ้าไม่พาเดินมันไม่รู้อย่าไปคิดเฉยเฉยไม่ได้ต้องพามันเดินก่อนเดินในใจเอาจับตรงนี้ถ้ามันรู้ว่า ตรงไหนเส้นผมหรือเส้นเซลล์เนื้อตรงไหนหามันเดินก่อนพอมั น, นเดินปุ๊บหามันเดินแล้วมันจะชินเองพอมันเดินปุ๊บมันรู้ทางเดินไปเหมือนกันเด็กเด็กนี่แรกๆเนี่ยลูกเราเนี่ยต้องจับมือมั น, นเดินก่อนพอมันเดินปุ๊บพอมันแข็งปุ๊บจะไปจับมันมันจะสลัดมือออกเลยมันเดินได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันพอตอนแรกต้องจับมือมัน ต, ต้องต้องเ ด, ดินให้มันต้องช่วยมัน อั่นละช่วยมันให้ได้อันนี้แต่ต่อไปมันจะเดินของมันเองไม่ต้องเอาแต่ละอย่างเอารวมมาเลยในใจนี่ทุกอย่างเอาคิดหาเลยตรงไหนมันจะจับก่อนมันจะไปของมันเองถ้ามันเห็นแล้วนะพิจารณามันเรียบร้อยเด้๋ยพิจารณาดูให้ดีพอดูแล้วมันจะไม่ย้อนกลับการปฏิบัติถ้าดูแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้มันจะไม่ย้อนกลับคิดหาอย่างไงมันก็ไม่กลับ เนี่ยอย่าไปคิดว่าคิดหากลับคิดว่าอยากจะรู้ที่เก่าไม่มีทางถ้ามันเบื่อหน่ายแล้วมันปล่อยปล่อยปล่อ ย, ปอยไปเรื่อยปล่อยจนหมดดูดู ด, ด, ดูสังขารร่างกายอา้าวเส้นน้อยใส้ใหญ่อะไรต่ออะไรดูให้มันครบพอดูแล้วมันจะไม่ย้อนถ้ามันเหนื่อหน่ายแล้วมันไม่ย้อนแน่นอนถ้าใครว่าย้อนบ้าแล้วไม่ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วไม่มีย้อนจะคิดยังไงมันก็ไม่มีย้อนคืนมาหา คิดก็ไม่เห็นนี่แหละให้มีสติสติตัวเนี้ยสติแล้วถ้ามีสติปัญญามันจะเกิดถ้าปัญญามันเกิดตัวนี้แหละตัวอัตโนมัติไล่เข้าไปมันจะปวดตรงไหนไล่นเข้าไปจนถึงอยู่ในใจทุกอย่างมันปิดมริษัทสายตาหูตาจมูกมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บอะไรไล่เข้าไปตัวปัญญาไล่มันเข้าไปไล่มันจะไปอยู่ใจทั้งนั้นเลยทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ที่ใจ นี่คือลักออกไปเลยไม่ต้องพูดกันยาวไงรัดให้ฟังเลยมันจะเข้าไปอยู่ที่ใจตอนนี้ดูที่ใจอดูที่ใจให้แน่ไม่ประดูษสี่ดูที่ใจต้นสุดท้ายจะลากเนี่ยถอนรถากแก้วก็อยู่ตรงเนี้ยอถอนมันเลยถอนตรงเนี้ยตอนนี้ต้นมันจะไม่เกิดยังไงไปตัดกิ่งตัดงามมันมันก็ไม่เกิดเม็ดมันก็ไม่เกิ ด, กกดแล้วถ้าไปถอนตรงนันตคือเอาทั้งรากแก้วันเลยถ้ามันเหลืออยู่มันจะ ไปตัดออกปุ๊บมันก็โป่งใหม่ต้นไม้ถ้าไปเอาตรงรากแก้วมันทีเดียวนี่นะ่ะเอาแค่นี้ดูตรงใจเอาดูใจดูมันให้ดีๆไล่ออกทเทเลนนี่เเทเลนหน่อยมันละเอียดยิ่งกว่าอะไรอีกตัวที่สุดท้ายเนี่ยละเอียดมากเลยตัวเนี่ยไม่รู้ไอไอไอตัวนี้ผ่านตัวอะไรมันมันละเอียดมากเลยมันจะเข้าไปดูดูที่ไหนดูที่ใจดูให้มันดีด แยกแยะออกดูให้ได้แยกแยะออกให้ดูแล้วว่าดูให้มันแน่ใจว่าอะไรมันเกิดอะไรมันตายดูให้มันดีๆดูให้มันแน่ใจดูให้แน่ใจเห็นที่ตาตัวเองอย่าไปคิดว่ามันไม่เห็นเห็นแน่นอนได้แน่นอนได้ที่ไหนได้ที่ใจเห็นเห็นที่ตาอย่าไปคิดว่าจะไม่เห็นถ้าหยุดแล้วไม่เห็นแน่ถ้าทำแล้วเห็น ดีอยู่ที่ไหนดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ไหนดีอยู่ที่ทำทำนี่เอาให้ได้อยากจะให้เห็นเหมือนกันจะไม่ต้องถามกันไม่ต้องมาเรียกกันไม่ไม่ต้องไปรมนต์มาพูดเนี่ยเห็นเหมือนกันดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้นะอาตมานี่เห็นเห็นอะไรไใบชายคิดยังไงอาตมาก็ยั ง, ย, ง, ย, งยังรู้อะไรบางทีเพราะว่าจโนบัตรมันมีแล้วทุกอย่างรู้เข้ารู้เรารู้ถึงขนาดนั้นแหละอย่าไปคิดว่าไม่รู้รู้ทงนั้นแหละ ใจจะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดไปเดี๋ยวข้าหาว่าโกหกไอ้บ้านพูดเล่นอีูแล้วแต่ที่จริงมันไม่ของเล่นรู้ก็ทั้งนคนจะไปวัดมีคนมาแน่นอนไอ้นี่คือมันเป็นอัจนมัติแล้วมันรวมกันแล้วเป็นหนึ่งและกิจใจดูมันให้แน่เวลาสุดท้ายนี่คือดูว่าดินน้ำลมไฟให้ดีนี่คือรัดเอาเลยนะไม่จงไปไอ้นี่ ถ้าไปไล่ให้กันฟังทั้งวันก็อยู่ดีแหละอคู่ปฏิบัติคือถามถามทีละคอตัวเองติดตรงไหนก็ถามตรงนั้นมันจะได้แก้ตรงนั้นอย่าไปคิดว่าถามไปตลอดนั่งฟังนี่ไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปคิดว่าจะนั่งฟังนั่งฟังนี่ยินดระเทสไปเทสไปก็ลืมใบเทสไปลืมไปอเอาตรงที่ไหนมันติดติดตรงไหนเอาถามตรงนั้นแล้วก็ไปทําเลย บางคนเนะ่ะยิ่งกว่าพระดีกว่าภัยอีก น, นะแต่บอกให้รู้น่ะพระยังไม่ได้เลยแต่อสมานี่ดีเสียอยู่อย่างนึงคือว่าไม่ได้หนังสือถ้าได้หนังสือหน่อยอ่านหนังสือฟังเขาจะดีอพอจะได้หน่ออันนี้ไม่ได้สักตัวหนึ่งเสียนด่าแม่ก็ไม่รู้เออเอาเถอะแต่พูดให้ฟังได้แต่รู้รู้อะไรรู้ที่ใจเห็นที่ตาตัวเองปฏิบัติจนรู้แต่เมื่อก่อนอยู่กับหลวงปู่เขาไม่ธรรมดา หลวงปู่ขายนี่ขยันจริงๆอันนี้ย้อนกลับไปหารูวงปู่ขาวอีกเที่ยวนึงเพราะว่าทางเดินตดโกมนี่สามเลยอาตมาเป็นคนคนที่กวัดที่ทางเดินตะโกนอ่านี่เช่นหนึ่งตอนเช้าเช่นเที่ยงเช่นตอนเย็นคิดดูเลยอาตมาบ่นกวาดมากๆมันกรยาวไปนั่งฟังกวาดแล้วก็ไปนั่งฟังไปแอบฟังแค่ะะก็บ่นโอ้พระองค์นี้บ้าแล้วมื่ออาตมาว่า อพอไปถามเอารู้ปู่บ่นทําไมอ่ะพอเลิกเลยนะกูไม่ได้บ่นนะกูพูดกับใจกัวะกูพูดจิตหลวงปู่อ่าวบาเลยพูดมันพูดได้ยังไงพอรู้จริงๆมันมันเหมือนกันจริงๆได้นะมันรู้เรื่องเอพอมาถึงจริงๆถึงจังหวะเราจริงแล้ว เ, เอาเหมือนกับเขาว่าจริงมันรู้มันรู้ฝั่งมันหยุดได้ดีดูใจตัวเองถ้าจะทําถ้าปฏิบัตินะ่ะขอให้มีสุขอย่างเดียวก็พอแล้ว อย่าเพิ่งไปคิดว่าเออจะหนีจากโลกเลยโลกอยู่มันต่อไปเหรอห่วงมันไปเหรอเออถ้าหนีจากโลกแล้วเราก็อดลําบากเราต้องทํางานหาเงินอยู่คิดดูดีๆเอาแต่บุญอย่างเดียวก็พอแล้วทําไปค่ะบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจบุญจะทํามันเข้าไปเหรอทําตัวเองได้ถึงจะจําได้ไม่ได้ทําบาตรหนึ่งสลึงหนึงได้ถ้งนั้นแหละไอ้นี้จะช่วยได้ไอ้ดูดีลูกแม่แม่หนึ่งอย่างเนี้ย คนกี่คนไม่รู้กี่คนสี่ห้าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้อะไรและรวยกับเขาก็มีเห็นไหมวัสนาเขาทามาก็เพราะบุญอันนี้แหละที่จะเอาไปได้ก็อย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นเอาไปไม่ได้อย่งางพระที่ปฏิบัติเขามีบุญมีวัสนาไหมไม่มีวัฒนาไม่มีความขายันไม่กลัวตายเอามึงไม่ตายกูตายกูปฏิบัติอย่างเดียวไอ้นี้ปฏิบัติเข้าไปบันไว้เข้าไปละละละที่ใจ เห็นและเห็นจนละได้ความสวยมีไหมไม่มีแต่แรกโอ้ยสวยใช่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันดูให้มันดีๆ ด, ดูให้เป็นสิ่งปฏิกูลดูให้เป็นของสมมุติอปัจจัยก็เหมือนกันดูให้เป็นของสมมุติแต่เอาได้เอาไปสร้างแต่เสร็จแล้วดูให้เป็นของสมมุติอย่าไปดูให้ว่าจะเก็บอย่างเดียวเอา้ากูได้มาแ ล, แล้ว grenades, เอากูต้องเอาเงินเยอะๆมาๆๆมาทําอะไรมาเป็นผู้ใหญ่ผู้โตอ๋อ มาเป็นโหทุกอย่างทําได้หมดถ้ามีเงินไอ้นี่แน่นอนแต่เสร็จแล้วถ้าคนรู้จักทํานะรู้จักเก็บรู้จักทําบุญนะเอาไว้หน่อยเอาบุญไว้กระย่างหนึ่งบุญนี่แน่นอนคือไปตามตัวเองได้ถ้าถ้าอย่างไงก็ไม่มีผิดที่ผิดไม่มีเกิดมากี่ชาติแลเกิดก็ขอให้มันธาตุนี้ขอให้แท่นี้ธาตุหน้าให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ใจะจะให้มันเป็นได้ว่า ไม่เกิดคงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆถ้าปฏิบัติลอดลอดุลด่มเราตายได้บางาพระมางองค์ปฏิบัติเข้าจริงๆก็ตายเห็นไหมเมื่อก่อนไม่มีวันไม่มียาเป็นไข้ามาเรียตายถึงเวลาก็สัน่นสันแล้วก็นอนอนอนก็ตายมางองค์ตายแล้วเผากันอยู่ตรงนั้นแหละที่ดูกันเลยกันสู้กันถึงขนาดนั้นเมื่อก่อนยาไม่มียาไข้ามาเรียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีข้าวเนี่ยไปบินทบาท จากทำกองเพลินไปหาโมบ้านนี่ยเ็ดกิโลไปกลับสิบสี่เขาก็ยังสู้กัได้ทุวันนี้อยู่ติดกับวัดเลยเห็นไหมเออเยอะแยะไปกับขา้าวแต่ก่อนน่ะผ้านะ่ะผ้ากีบอนอัตมาเนี่ยไม่มีไม่มีรู ป, ปูอลไรหามาจากไหนก็รู้ว่าเย็บต่อให้เป็นผ้ากีบอนเป็นเนนอยู่ตรงนั้นแหละอพื้นเดียวก็ใส่อยู่นั้นเมื่อก่อนเนี่ยอะไรก็ไม่มีสบู่ก็ไปหาลูกน้ำแท่งนมาลูกเป็นหนามลูกน้ำหนามน่นะมาทบ ทุบแล้วเอกไปสักผ้าคิดดูทุกวันนี้ทุกอย่างมันเยอะแยะไปหมดาเลือกใส่เลยทุกวันจะอาสัมมาไม่เอาน ะ, ะเรื่องกี่วันนี้ต้องครบให้ครบเจ็ดวันเจ็ดปีคือห้าปีหกปีถึงจะเปลี่ยนถึงจะดีขนาดไหนเอาไปเปลี่ยนให้ก็ไม่เอามันยังไม่ถึงกําหนดผู้เข้าท้ายเรามาผู้ถวายเรามาก็ขอให้เขามีอันนี้สง่อยเอถ้าทําได้ขนาดมันก็ดี ท่าของธรรมยุทธะยิ่งยอมยิ่งสักบ่อยยอมบ่อยมันก็ยิ่งสูยนะพื้นใหม่ยังสู้ไม่ได้นะจะบอกให้รู้ก่อนเออไม่เหมือนไอ้ช่างบ้านเรากัแบบว่าถึงเวลาปุ๊บทุรพันธ์พันธุ์เขาก็มามาใส่้วก็ไม่ใช่สักแล้วนะพอดำปุ๊บเขาโยนทิ้งเลยก็เอาใหม่ให่หมัหมนั่นแหละตัวบาปตัวบุญอยู่ใจไม่ออกนี่แหละตัวบุญ ตัวบาปไนอยู่ลน้ล น, ลนหัวเรา ล, นลน้นจ่ตวัดนะบาปแน่นอนบาปพร อ, อะไรตื่นเช้ามาผุออกบิณฑบาตแต่ไม่ได้พูดว่าแบบบางวัดทุกวัดน่ะไม่ได้ว่าเป็นบางคนนะบางคน ด, ดีปฏิบัติได้ดีเอาบุญเอากุศลให้ไม่ออกแผ่เมตตาทําวัดทําำวายเขาหน่อยเออเขาทําบุญไปกระสุนอันนี้ส่งให้เขาหน่อยแล้วตัวเองได้ไม่ไม่ได้ อ, อืมบางคนนะ เอากลับไปปุ๊บเช้ามาพุทธ ต, ตีห้าออกแล้วออกบินสบายบินสบายกลับมาเข้าในห้องเลยไม่เป็นสันข้าวที่ไหนเลยเข้าในห้องผบไม่รู้ได้น้อยได้มากกินอิม่มแล้วก็นั่งดูทอสหงายแล้วคึกเลยหลับมีอะไรไหมมันเป็นธรรมชาตินต่ส่วนมากเดีย๋ยวเนี้ยหาผ้าปฏิบัติได้น้อยนั่นแหละตัวบาปตัวบนอยู่กับแม่ออกเนี่ยนี่แหละบุญทํำยังไงก็ได้บุญแต่ผ่านไหนใจไม่ดีให้มึงอดข้าวตายเลยพะ่ะ เพราะว่าใจไม่ดีอย่าทำเลยใจไม่ดีมันไม่เป็นบุญมันเป็นบาปถ้าใจดีจะทานให้ใครเป็นบุญทางนั้นขอให้ใจดีทุกอย่างมันขึ้นที่ใจบุญอยู่ที่ใจบาปอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ใจไม่ทุกอยู่ที่ใจเคิดดูให้ดีดทุกอย่างเกิดที่ใจทท้งนั้นจะพ้นไม่พ้นอยู่ที่ใจจะเกิดดีเกิดชั่วอยู่ที่ใจใครรู้ตัวเองนัและรู้ ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ไปเกิดที่ไหนรู้เส้นทางตัวเองต้องรู้ปฏิบัติเข้ารู้แน่นอนรู้ที่จะไปรู้ที่จะมาถ้า ง, งั้นไม่ทำบุญยากดูปามีแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกแม่เดียวกันยังรวยไม่เท่ากันเลยยังไม่เหมือนกันเลยบางคนแล้วแบ่งของเท่ากันยังได้ไม่เท่ากันเลยทำไม่เหมือนกันเลยนาแผ่นเดียวกันแบ่งเท่ากันยังทานาได้ข้าวเหมือนกันเลยเอ เอาดูให้ดีๆบางคนเอามึงทํางานดีๆเอาเป็นเดือนมึงสูง้สูงรวยมไหมรวยทั้งชาติก็ไม่รวยมึงทำเข้าไปเถอะสู้คนทํางานเดือนเงินน้อยไม่มีบางทีดูให้มันดีว่สาสนาะเขาเขาเกิดมาเขาเกิดมาเขาทําบุญไอ้บุญตัวนี้ช่วยได้แน่นอนไม่มีผิดเอาให้ดีดีอยู่ไหนดีอยู่ที่ใจเวลาหิวข้าวอย่าไปห่วงมากเลยห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ไปห่วงอะไรหนังหนา พอเอาเลี้ยงคนให้เป็นคนก็พอแล้วเอ่อย่าไปคิดว่าตัวเล็กอยู่นี่อย่าไปเลิกนะต้องเลี้ยงเข้าไปให้มเป็นคนหน่อยเป็นคนพอแล้ให้หนังสือให้การเล่าเรียนเท่าเรียมันดีๆถ้ามีการเล่าเรียนไปแล้วทุกอย่างมันหาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไปเอาอะไรให้นะ่ะมันหมดแต่ความรู้นี่ไม่หมดเขาทํางานได้ต่อไปเอาเหอะอย่างนี้ตัวนี้แน่นอนไม่ทชคอย่าไปห่วงเขา จังพ่อแม่เราจะไม่ห่วงเราเลยบางทีตายแล้วจบไปจบอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราตายไปแล้วเราก็ไปหาทางของเราไอ้ตัวตายอยู่ในตายมันคือสังขารตัวเกิดคือใจเท่านั้นแล้วไม่มีผิดบุญที่แล้ว น, นั้นที่จะเอาไปได้ยังอื่นเอาไปไม่ได้อาจจะมาพูดไปนี้ไม่มีผิดสักอย่างเลถ้าจะถามไลยถามมาเลย ต้องการอยากให้ถามอยู่เหมือนกันว่าผิดตรงไหนคาตรงไหนอะไรยังไงกิจคิ ด, คดยังไงเอามาเลยอาตมานี่ชอบแต่จะให้พูดให้ฟังนี่อาตมามันทั้งวันมันก็ไม่จบหรอกอคลายคลองใจตรงไหนถามมาเลยทุกใจตรงไหนถามมาเลยเป็นอะไรค่อยทุกอันนี้อาตมาให้โอกาสถามไม่ใช่ว่าเออ มันเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้ปฏิบัติอันนี้มันเป็นยังไงเอาเลยอาตมานีข่ขอให้ถามได้เลยทำดีได้ดีทำไม่ดีไม่ได้ทุกใครหาให้เราเองทั้งนั้นออยากจะให้เห็นเหมือนกันแต่อันนี้อนนีพระพุทธเจ้าเดินมาตรงนี้อาตมาก็กราบได้แต่ไม่ถามมันเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนกันอยากจะให้เห็นเหมือนกันทั้งนั้นมันจะไม่เรียกถามกันนี่ยถ้าพูดไปแล้วก็แบบว่าอาจะมาไม่ส่งเสริมเข้ามาเลยนะว่าเออเธอไปบรลายายโน่น อ, อันี้ไปแล้วเสร็จแล้วเปรียบเทียบไปแล้วเขามาใายเปรียบมันเปรียบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตัวเปรียบมันเพราะว่าหนังสือไม่ได้อเอาแต่ตัวจริงๆเลยเอาแต่ของแท้เลยมาพูดกันเลยบาปคือบาปบุญคือบุญ ทุกคือทุกออืสุขคือสุขสุขหาจากไหนตัวเองหาเองอทุกคือใครหาให้เราหาเองอยู่ดีเครื่องสมานี่รู้แต่แค่นี้แหละรู้แต่แค่ทุกแค่สุขนี่แหละมันสุขเพราะอะไรมันทุกเพราะอะไรออืตัวตายคืออะไรตัวเกิดคืออะไรให้มันรู้รู้ตรงนี้แล้วไม่มีอะไรรู้อีกแล้ว มีอยู่แค่นี้แหละทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีผิดกันหรอกพวกเนี้ยแต่ดูตัวเองให้มันเห็นเห็นตัวเองก่อนจะเห็นคนอื่นสอนตัวเองให้ได้ก่อนจะสอนคนอื่นถ้าเขาย้อนมานี่มันลำบากถ้าตัวเองจะสอนตัวเองไม่ได้ถ้าถามมาติดเขานี่ลาบากเอาให้เห็นเห็นที่ไหนเห็นตัวเอง ให้เห็นรูปร่างดสวยไซส์ของตัวเองอดินน้ำลมไฟทุกคนแยกแยกกันออกให้ได้แยกที่ไหนแยกที่ไกลเราอะไรมันไปเป็นดินมัง้งสุดท้ายอะไรเป็นดินก็คือสังขารของเราหนังเนื้อหนังมังสาทุกอย่างไส่น้อยไส่ใหญ่ลงไปเป็นดินหมดดูให้มันเห็นเห็นที่ไหนเห็นที่เราปฏิบัตินั่งดูให้มันชัดๆ แยกแยกออกให้ได้ถ้ามันแยกแยะมาไม่ได้ก็ต้องดูหมารถชนอยู่ข้างถนนเอ่อเอามาดึดึงมันกิดมันดึงได้ดึงเข้ามานนั่งนั่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันนอนดูเนี่ยดูมันทีอะไรมันเน่าอะไรมันเหม็นเนี่ยน้อมเข้ามาใ่ตัวเองกูก็เหมือนกันกับหมาหมาก็เหมือนกันกับกูไม่มีผิดเลยเออเวลามันจุดลงไปเวลามันเน่าเข้าไปมันจะโปรยเป็นอะมันเป็นดิน ทุกอย่างเป็นดินหมดเอาน้ําคืออะไรอดูพิจารณามาให้ดีแล้วอามันไปเป็นดินเราก็แยกมันออกแล้วเอารู้แล้วว่ามันเป็นดินเราแยกที่ไหนแยกที่ใจละมันไปละที่ไหนละที่ใจเอาอย่างมันเป็นอย่างนี้เอาเห็นมันแล้วเอามันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาละมันพอละแล้วรู้ศักว่าละเอาไปดูไฟหรือดูน้ําน้ํานี่คืออะไรมันเกิดขึ้นในสังสารเราเนี่ยเอา คือน้ำเหือน้ำไครน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยเอา้านี่แหละมันออกไปพิจารณามาให้ได้แล้วแยกมันออกไปอีกแยกมันออกไปให้ได้เพราะต่นีาละมันละที่ไหนละที่ใจอละความอุไฟละ่ะการนี้เป็นไฟไฟมันเกิดจากอะไรในสังขารเราเนี่ยคว า, ามอบอุ่นในรังไข่ความอบอุ่นในสังขารถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ไม่ได้มันขาดขาดก็คือตายเนี่ยก็ต้องละมันนีก ถ้าต่อไปจะเอาอะไรเอาลมตัวนี้จะตัวสุดท้ายดูมันให้ดีลมหายใจเนี่ยถ้าไม่มีลมหายใจตายไม่ตายดูให้มันดีๆมันตายแน่นอนลมหายใจตัวสุดท้ายเอาดูดิดูให้มันดีๆแล้วก็แยกมันออกให้ได้ต่อไปยังเป็นคนเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรยังไม่ตายอัตชีนาโลโถจะเกิดขึ้นคือใจกับสังขาร อาศัยซึ่งกันและกันใจนี่อาศัยสังขารคอพาเดินไปนู่นไปนี่ใจสังขารอาศัยใจเพราะเลยใจหิวอะไรมันขึ้นอยู่ที่ใจหิวข้าวถ้าใจไม่มีมันจะไม่รู้จักกินถ้าใจมันคิดจะไปไหนมันก็ต้องไปที่อาศัยสังขารนี่มันต้องอาศัยซึ่งกันแลยกันนี่แหละตัวอาศัยสุดท้ายปล่อยมันทั้งหมดแล้วมันจะสว่างสว่างที่ใจ ใจนี่แหละสว่ า, างกว่าไอ้ไฟไ ฟ, ไฟ้าตรงนี้อีกเอาให้ได้เอาให้เห็นเอาความฉลางให้ได้ละที่ไหนละที่ใจปล่อยคนฉลางออกมาเลยอเมแนะ่เจอแนะ่ถ้าพูดถึงปล่อยมันจริงจริงละแนะ่ละที่ไหนละที่ใจทุกอย่างอย่าไปห่วงมันเลยโทรศัโมหะดินน้ำโล่ไฟอะไรต่ออะไรพิจารณามาให้ดีอ่า ละได้ทุกอย่างละที่ใจทางนั้นไม่ได้มีเรื่องอื่นที่สุดท้ายคือใจอย่างเดียวที่จะอยู่ได้อาศัยซึ่งกันและกันยังไม่ตายนี่คือตรงนั้นแหล ะ, ะสังขารอาศัยใจอใจอาศัยสังขารถ้าไม่มีสังขารใจก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีใจสังขารก็อยู่ไม่ได้คือคนยังไม่ตายถ้าตายแล้วแวม้ถึงนิพพานนิพพานยังไม่ตายนี่คือแน่นอน ตัวมันอยู่กนที่ใจถอนก็ถอนที่ใจมันอยู่ที่ใจทางนั้นถอนลากถอนโคนก็ถอนอยู่ที่ใจแต่จากนี้ไปพูดให้ฟังไม่ได้ไม่ว่าพระองค์ไหนพูดให้ฟังแม้พระพุทธเจ้าก็าจะไม่พูดอยากรู้เห็นเองอยากเห็นและทําเองจากนี้ไปรู้ให้ฟังแค่นี้จากนี้ไปทําเองไ ม, ไม่ว่าพระไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดแนะ่ไอ้จากตรงนี้ไปมันสุดอยู่ตรงนั้น ไอ้ตรงนั้นเห็นเองทําเองเห็นเองเจอเองนี่คือพูดตอนสุดท้ายให้ฟังนี่แหละมันละกันตรงนี้ถ้าถึงเวลาแล้วจะตายอะไรจะไปก่อนไปหลังคือรู้ในตัวของเราเองนั่งเข้าไปเดี๋ยวไม่ต้องห่วงมันหรอกว่ามันจะไม่นี่มันเจ็บแน่นอนเวทนามันเอาคนแน่นอนถ้ามันเอาแล้วม่าเอามึงไม่ตายกูตายลองเล่นกับมันดูดินี่แหละขั้นแรก ไอ้นี่เราจะได้ภานจะได้ไ อ, <c oughs> อ้ น, นี้ก็เอาเอาตัวนี้แหละต่อไปเขาพูดถึงนั่งจริงๆมันจะล้มของมันเองตั้งได้ลม้มได้พอมันลม้มปุ๊บตอนนี้อ่มันจะได้ตอนนี้กิจ จ, จูนตัวไม่มีแล้วมันจะขึ้นมาเลยตัวใจเหลือตัวเดียวภาวนาดูให้ดีอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงกิจใจ พอได้แต่แรกนะถ้ามีความสุขหน่อยเนื้อหนังก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีมันรู้แต่ตัวรู้อพุโทโธก็หายสังขารก็ไม่มีแต่มันมีอยู่แต่ว่าถึงเวลาถ้าสมาธิมันเข้าแล้วมันลอยมันไม่มีอะไรอีกแล้วอมันไม่ใช่ของเรามันเห็นถึงขนาดว่าเป็นของเราไหมไม่มีมีอะไรชักอย่างไม่ของเราไม่มี แต่ตัวว่ามีนี่คือใจใจมันปรุงมันแต่งอันนี้ของกูนั่นก็ของกูนั่นก็ของกูของกูทั้งนั้นแต่ถึงเวลาของกูไม่ไม่มีรูต้ตัวรู้ให้ดีๆอย่าไปเชื่อมันนักนะใจเนี่ยตัวบังคับใจเอาให้ดีๆตัวบังคับใจคือสติใจมันจะคิดยังไงตัวสติต้องรู้ ยังไม่พูดออกมาสติบรรู้ก่อนและจะตัดได้ไม่ได้ก็คืออยู่ที่ทตัวเองสติตัวเดียวเท่านั้นมันเป็นปัจจุบันทั้งหน้าไม่คิดมันยังไม่ถึงข้างหลังมันผ่านมาแล้วมันไม่คิดเหมือนกันทำงานก็ไม่มีผิดไม่มีล้มเหลวคือให้มีสติมีสติปัญญามันเกิดตัวบังคับใจคือสติตัวเดียวเท่านั้นดูให้ดีๆอย่าไปดูที่อื่น นั่งอยู่กินข้าวกินปลาดูสติตัวเองเท่านั้นมันจะเป็นปัจจุบันตลอดดูเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ถ้าให้รู้สติตัวเองนะถ้าขาดสติบ้าคนเราแต่นั่งอยู่งี้มันมีสติอยู่แต่รู้ไม่รู้มันก็มีสติของมันอยู่แต่ถ้าขาดเมื่อไหร่มันบ้าดูให้ดีๆแต่ความอยากมันมีใจอ่ะมันมีความอยากของมันอยู่บ้าเห็นม มันขาดสติความอยากมันมีอยู่ไปทางไหนละแล้วข้างถนนมันก็เก็บของไปเรื่อยๆไปจะเอาไปทำไมมันยังไม่รู้เลย ว, ว่าจะเอาไปทําไมเดินข้าม ถ, ถนนมันไม่ได้กลัวรถตัวเนี้ยคือขาดสติไงไม่กลัวอะไร แ, แต่คนที่เสียใจคือใครไปชนคือคนที่มีรถไปชนบ้าไงคนว่ายแล้วโดนจับอีกชนอะไรชนบ้าคนขาดสติฮัน ให้มีสติดูให้ดีๆว่าสติมันตัวไหนตัวใจตัวไหนตัวสติตัวไหนตัวปัญญาตัวไหนตัวกิจตัวไหนดูให้มันแน่ๆถึงเวลาแล้วถ้าปล่อยหมดทุกอย่างถ้าระทุกอย่างมันจะเข้ารวมกันเป็นหนึ่งหนึ่งคืออะไรหนึ่งใจนั่นล่ะนี่พานแท้ๆเลยไอ้ตังหวะน่ะใครบอกใจบอกปฏิบัติเข้าไปคนอื่นไม่มีบอกไม่ได้นอกจากตัวเองเท่านั้นที่จะบอกตัวเองได้ นิพพานอยู่ในเขาจะบอกเองที่ใจเราดีละบอกรู้ที่ใจเราทุกอย่างใจเราบอกทางนั้นไม่มีคนอื่นมาบอกเอาจนรู้ว่าโศกอยวจตรงไหนสศกอยู่ที่ใจทุกอย่างเกิดที่ใจละที่ใจทุกอย่างเกิดที่ใจทางนั้นไม่มีอย่างอื่นตัวเกิดตัวตายอยู่ที่ตายตายนี่คือสังขารตัวเกิดนี่คือใจพันเปอร์เซนต์เกิดแน่นอน เกิดมากี่ชาติกี่โห่ไม่ําคานมั่งเหรอเอาปฏิบัติกันมั่ง ม, มันเกิดกี่หนกี่ห่เอาให้รู้ดูดิว่ากูเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่แล้วอความกระดูกเท่าไหร่แต่มันจําไม่ได้เพราะอะไรวะถ้าจําได้นะ่ะแย่งกันตายแล้วที่ใครที่มันอยู่รวมกันอยู่ใกล้ใกใกันไปเอาของเก่ากลับแหะอันนี้มันจําไม่ได้เพราะว่ากิเลสตัวเดียวเท่านั้นที่บิดบังคับไม่ให้รู้ถ้ารู้น่ะโหมาแย่งกันตายเลย ถ้ารู้ว่าเอากูเกิดมาอีกแล้วกูจะเกิดอีกแล้วคนที่ตายไม่ได้เกิดเลยก็คือฆ่าตัวเองไอ้นี้อย่าทามันมีทางออกของมันอย่าไปคิดตามใจว่าตัวเองกูจง่าของกูมันหาทางออกไม่ได้คนหมดปัญญาไงขาดปัญญาหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวเองตายมอมหมอบผูกคอตายหรือมอมหมอบยิงตัวเองตายนี่ไม่ต้องเกิดละบาปเต็มทีเลยอะ คนที่เกิดไว้ก็คือรถชนเนี่ยพวกตายพวกนี้แน่นอนเขายังไม่ถึงกำหนดเขาจะตายไอ้นี่เกิดไวเอาให้รู้เขายังไม่ถึงกำหนดของเขาไอ้นี่เกิดไวจริงๆจะเกิดอยู่ไหนไอ้นี่มันอีกเรื่องหนึ่งต้องดูให้ดีๆแต่คนที่ฆ่าตัวเองตายนี่ไม่ต้องเกิดละพอนันรกอยู่ไหนนั้นรกอยู่ที่ใจตัวเอง อย่าไปถามว่านรกอยู่ไหนดูที่ใ จ, จอั่างแรงดักเจอก็ลองทําดูไปตีหัวเขาเดี๋ยวนี้เจอนรกเลยใครหาให้กับตัวเองหาเพราะอะไรเพราะเล่าอย่างเดียวบางทีก็จะบอกแล้วว่าสินหานี่จะไปหาเลยหาตัวเดียวนน่ะไอ้สุราตัวเดียวเท่านั้นทําได้หมดทุกอย่างไม่ออกลองทาลองกินให้มันกินดูดีไม่เชื่อจะมา ห้าตัวไม่ต้องไปเจอมันหรอกมันรวมตัวเดียวนช่ไหละทุกอย่างอยู่ตรงนั้นนี่ยอไอ้พระก็ต้องดูก่อนมันน่าไหมบางองค์อะดูให้มันดีๆเขาปฏิบัติได้ไหมแผ่เมตตาให้เราบ้างไหมดูให้มันดีใช่แต่จะให้เขากินจะกินได้แต่ได้บุญไม่ได้บุญอยู่ที่เรา อ, อย่าไปฟังให้ฟังที่เราคนเดียวเท่านั้น จะทำอะไรก็แล้วแต่ฟังที่เราใจอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราไปเชื่อคนอื่นเชื่อไม่ได้หรอกเชื่อตัวเองแน่นอนคือให้มีทาหน่อยถ้ามีทาทำงานไม่มีผิดน้อยให้มีสตินิดนึงอย่าให้มันทุกทุกใจกะละตัวเองได้เอาทุกไปทำไมคิดไปเอาความทุกมาใส่ตัวเองทุกไปทำไมทุกแล้วไม่ได้อะไรไหม ไม่ได้คิ ด, ดัวให้ดีๆจะไปทุกขันทําไมล่ะมันมีทางแก้ของมันอยู่ไอ้เรื่องผัวนี่กระช่างมันไอ้เรื่องเมียก็ช่างมั น, เ, ม น, มนเพราะอะไรใครจะเป็นยังไงกันแล้วแต่โตแล้วค่อยมาหากันไอ้ลูกนี่เอาให้แน่พระผู้เจ้าคือใครคือพ่อกับแม่เราะจะหาขอให้กินเอาหาหกินเลยเวลายังอยู่ถ้าตายไปแล้วจะเอาอะไรให้ล่ะมันมีทางกินได้ไหม กินไม่ได้ถ้ายังอยู่นี่ยังเห็นมองที่กินไอั น, นี้ของจริงเลยไม่มีผิดกินให้เห็นเห็นเลยถ้าตายแล้วกินอะไรไม่มีโดดออกไปแล้วตั้งแต่จอนจะเผาแล้ววันสองวันฮีโดดออกไปแล้วแล้วไปทําบุญหาไปหาอะไรล่ะหาทาบุญตัวก็ให้ตัวเอง รวบรวมให้ตัวเองไม่ได้ไปให้คนตายซะหน่อยตายแล้วมันตายไปแล้วมันจะเอาอะไรล่ะจิตก็ไปถึงไหนแล้วใจก็ไปถึงไหนแล้วอแก้งทําไม่งั้นแหละว่าให้คนโน้นให้คนนี้แต่ชีวิตจริงล้วให้ตัวเองแหละตัวเองเป็นคนได้เอไม่มีชครอื่นได้อย่างที่อาจามาว่าเนี่ยทํานาเราเองเราทําแล้วเราได้คนอื่นไม่ได้แน่นอน ผู้ที่ได้คือคนทำเท่านั้นบุญก็เหมือนการทำเข้าไปเหอะอยู่นี้เป็นบุญทั้งเข้ามาวันนี้บุญที่ไหนบุญที่ใจถ้าไม่ทุกข์ใจเป็นบุญแน่ถ้าทุกข์ใจแล้วบุญไม่เกิดแล้วมันทุกข์ใจมันลาบากใจโมโหให้คนนนโมโหคืออยากหาัดทำใช่ไะมันทุกข์ที่ใจมันจะไปสุกได้ยังไงถ้ามันสุกแล้วเป็นบุญแล้วมันท่านะั้ยังอาจจะม า, าให้ฟังแล้ว วันไหนใจไม่ดีจะไปใส่เลยบาดไม่ต้องกินละมึงเอาแบบว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าวันนั้นกินไม่ได้แล้วไม่ให้เพราะอะไรใจไม่เป็นบุญแล้วมันทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์ใจวันไหนใจกูบุญกูจะใส่ให้มึงกินวันนั้นหยุดไปก่อนแล้วกันคือแน่นอนอย่าไปคิดว่ากูองทาให้ได้ทำให้ทำอะไรก็แล้วแต่ ฝืนไปกระชุกใจตัวเองอย่าไปฝืนฝืนทําได้ฝืนปฏิบัติได้จะ่ฝืนทําบุญนี่จีใจกําลังโมโหโมโหอย่าฝืนมันเถอะมันเอาแน่ อ, อถ้าปฏิบัตินี้ฝืนได้แล้วก็ปวดขามึงไม่ตายกูตายนี่ฝืนกันได้แน่ออันนี้ฝืนอย่าไปคิดโอ้โหปฏิบัติมาโอ้โหดวงดีบุญวาสนาดีไม่มีบุญไอ้พวกปฏิบัติเนี่ย คือละได้เท่านั้นทําเท่านั้นที่จะได้ไม่กลัวตายที่ไหนก็ได้ขอให้กูได้ทำกูไม่กลัวตายแล้วแต่ไปคิดว่าเป็นบนุญโอวาสนาดีนะเออก็ใช่ดีนะเวลามันได้มาแล้วอ่ะได้มาแล้วทุกอย่างเอาอยู่กลางป่า ก, ก็ยังถางขึ้นไปหาเลยอยู่ภูเขาไหนแล้วยังขึ้นไปเลยเออหลวงพ่ออยู่โน่นอยู่นี่จะอ่าขึ้นไปจนได้เอา้าคือปฏิบัติได้แล้ว พุกอย่ามันได้แล้วนั่นนะดังไงมันก็มีถึงไม่มีใครมาให้ของทิปก็มีถึงเวลานั้นอผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้ไอ้พวกพวกนี้ยแต่เสร็จแล้วดูไหนก็แล้วแต่คิดดูก็แล้วกันอยู่สูงขนาดไหนเอา้ายังขึ้นไปหาเลยฟันไม้ขึ้นไปหาเลยถังขึ้นไปหาเดินขึ้นไปหาพอเดินไปจะไม่ถึงปีแล้วถนนขึ้นไปแล้วเออถอยไม่ได้แล้ว ต้องถึงเพราะจิตใจมันตอบเพราะบุญนี่อย่าลืมนะว่ามันดึงจิตใจของคนจริงๆอดี๋ยวไปคิดว่าของเล่นไนมะ่ใชของจริงเลยนะเออจิตใจของคนนี่อย่าไปคิดว่าไม่ถึงนะถึงเดี๋ยวนี้เหกรุงเทพนี่อยู่กับกรุงเทพไม่ไม่โน่นนะอยู่ต่างจังหวัดนไพ์อะไรไปกราบพระโอโหไปแล้ยังไม่พอนะไปแล้วเสร็จแล้วต้องรอบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะมีคนกั้นอีกอา้าวบ้าเป่า เขามาหาจากกรุงเทพไปถึงนู่นแนะ่ะยังให้บ่ายโบยวันนึ่ไปแว่วัดเดียวเออเห็นหมอืมน่าจะเอไปถึงปู่เอาขึ้นมาเลยนะไม่ออกนะเอาเอ า, เอาเลยไอ้ลูกน้องกันเลยขึ้นไม่ได้บางทีมีแม่ชีรัดหน้าเลยอืมขึ้นไปไม่ได้หลวงปู่กำลังพักผ่อนมันจะไปพักอะไรพักทั้งวันทั้งคืนเออเห็นไหมมาจากไกลๆกะให้เห็นหน่อยใช่ไหม เข้าไปแล้วเห็นเอาพูดกันคำสองคางเออไม่ออกสงสัยจะเพักผ่อนชั่งหน่อยนะพูดกันรู้เรื่องคนพูดไอ้พระก็นคนไอ้ไม่ออกไปก็คนทําไมจะพูดกันไม่รู้เรื่องล่ะพอจะไปถึงเอ้าไม่ออกคิดดูเลยเอารถถ้ามันเป็นอะไรไปล่ะไปไกลๆอย่างนี้นห่วงเขาหน่อยนี่เออเข้ามาเนี่ยเขาคงจะคิดถึงเราเขาสงสารเรามื่เข้ามาเอาเอออกไปหาเขาหน่อยออกไปหาเลยไอ้คนที่กั้นก็กั้นเลย เที่ยวหน้าไปก็อาจจะมาไปหาเลยเพ่อะจะไปหาลูกปู่ไหนเอออาจารย์จะพาไปอยู่ไม่ได้ต้องออกเออไม่ออกไม่ได้ดิเอออาจารมาเอาแน่น่ ะ, อ อ, นนะออกทุกอาจารย์ไปหาเวลาไหนออกทุกเวลาแต่ไปเจอท่านกับวัดอะนั่นแหละวัดเอกทำสหายโดนอาจารย์โดน อโดนจริงๆไปนั่นถึงบ่ายสี่โมงสี่โมงครึ่งก็จะขึ้นไปถึงห้าโมงไปเจอแม่ชีปุ<ม>๊รขึ้นไปไม่ได้ลูปปูลล่เขารูปปู่จะด่านะอ้าวประลาดได้ไงว่าจะมาถึงบ้าว่าเออมันอยู่แล้วแม่ชีสองคนอยู่ด้่ย น, นะไปไม่ออกเคยไปนี่ไปก็เจอเลยแม่ชีสองคนอยู่นั่นนงรัดเลยข้างล่างะ่ะพอขึ้นไปปุ๊บไปเจอผ่าอีก พักผ่อนแล้วลูกปู่เข้าไม่ได้แล้วอาบน้ำส่งน้ําไปแล้วเอ้าครูบาไปเรียกหรือลองไปถามลูกที่ว่าจะมาไหมถ้าไม่มาก็บอกหน่อยเอออาจจมาก็บอกอลองไปอันนี้เรื่องจริงน่ะพอไปปุ๊บลูกปูเ่เงี่ยมมาบอกบอกบอกลูก เ, เงี่ยมมานะเข้าไปถามหน่อยพระก็ไม่อยากเข้าไปขยันขยออกลัวจังอไะไรวะ กลัวกันจังเลยพอเข้าปุ๊บเอาอย่างนั้นเลยปุ๊อเอาอย่างนั้นไปบอกพอเข้าไปปุ๊บเขารับเขานีา่ผมมานั่งเลยเุ๊บเข้ามานั่งแล้วปุ๊เรนะื่เราเออเชื่อนักพอมานั่งปุ๊บมาไม่มีเวลาพระยังไงวะรู้จักเวลานะาะอ้าวเจอเลเอา่าจะหาเวลาไหนแล้วมันเพิ่งมาถึงอะ่ะจะเอาอยัางไงละ่ะอ่อาจจมักษาไปจะเอายังไงล่ะมันเพิ่งมาถึงเนี่ย เออก็มาจากนู้นกว่าจะมาถึงนี่คิดดูกันแล้วกันจะให้นอนคอยหรือไงคอยให้กราบหน่อยแล้วก็เอากราบแล้วจะไปแล้วไม่ไม่เอาแล้วพอแล้วเออไม่ไม่มแล้วไม่ไปจริงเห็นไหะเอาโดนไหมโดนอ่าทั้งเขาโดนด้วยทั้งอาตมาโดนด้วยอ่าตมาไม่ยอมกันนะเออคือว่าผึงเวลาต้องเห็นกันลนอยไอ้พระไปหาพระไอ้พระคุณนั้นก็ไม่ธรรมดา ไอ้พระ ค, คนนี้ก็ไม่ธรรมดาพันสาไม่ได้เกินกันถึงสิบหรอกอเห็นใจกันหน่อยไอ้โยมเนี่ยหักว่าเขาจะไปถึงอาจจะมาครบทุกคนเลยใครจะไปเอามาเลยไม่ออกมาเลยเอาใครกั้นไม่ได้นะถ้ากั้นเราเป็นเรื่องจีงน่ะเออเอาจริงๆพอไปถึงปุ๊บอ้าได้เลยมันจะง่วงขนาดไหนจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องเอาหน่อยกว่าจะมาถึงเห็นใจกันหน่อย เขามาจากไกลว่าเขาจะได้กราบอาตมาก็ไม่ไม่เทวดานะพูดอะอเทวดามันยังด้อยกว่าเราหน่อนเยเทวดาจะกราบเราเทวดาเข้ามาหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพูดพูดไปนะเรื่องอะไรนะแต่เวลาเขาจะมาเนี่ยเรารู้รู้ได้ไง รู้กลิ่นเขามาก่อนไอ้ไอ้ไอ้นี่เรื่องจริงนะแต่ว่าไม่เห็นบ่อยหรอกบานทจะเห็นทีแต่เขาจะมาเรารู้รู้ที่ไหนรู้ที่กลิ่นเขามาก่อนอเสียงเขามาก่อนบางทีเสียงมันแหวกเข้ามาในหูเนี่ยแต่จะใช่ไม่ใช่เรากไม่รู้เราเสียงมันมาก่อนลกลิ่นแล้วคือหอมไม่มีอะไรเหมือนเนี่ยนะอ่า ดูกินเขากินเขาหอมจริงๆโอ้มาแล้วมามาสักพักหนึ่งเป็นคนมาแล้วเวลาเขาพูดกับเราเราได้เอ่ยปากไม่ไม่เอ่ยอันนันจะเห็นทันทีไม่ได้เอ่ยหรอกพอกิดก็พูดกิดเขาคิดก็หมาถึงเราเราก็คิดก็ถึงเขาก็สอนกันอยู่อย่าเงี้ยสองสามนาทีก็ไปแหละเขาก็ขอสิ่งขอทําเป็นของธรรมดาแต่จะจริงไม่จริงกัลองลองพูดให้ฟังดูกั้นแหละ อ่าอาจจะมาว่าของจริงก็บางทีอ่า ด, ดูเองแล้วกันแต่เอาให้ถึงถึงนี่มันถึงแน่อ่แต่ใจคนจะถึงไหมเอาให้ถึงถ้าถึงแล้วทุกอย่างเห็นหมดไม่มีอะไรไม่เห็นรู้เขารู้เราด้วยมาเมอรู้จิตไม่ออกทุกคนด้วยถ้ามันถึงถ้าไม่ถึงมือก็จบเลยไม่ต้องรู้กันแหละอ่าไม่เ อ, อกด่า ย, ยังไม่รู้เลยแต่พูดอะไรมายังไม่รู้เลยแต่บางทีเนะี่ยเดินมาเอานูนะ่นน่ะ ออกจากบ้านออมานี้ยินเสียงบนแหละหลวงปู่ไปอย่างนู้นอย่างนี้เอ้าได้ยินอะไรอยู่ทางเนี้ยกลับมาปุ๊บถามแล้วพอพูดแล้วอ้าวอาจเข้าใจเขาแล้วเอาเอาไปรู้ได้ยังไงไม่รู้ได้ยังไงลราเขาพูดมาแล้วอ่ะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วอแหละก็ลองคิดอยูเดียกกันเพราะว่าอาจารมานี่คือคือคือสอนได้แต่อ่านหนังสือไม่ได้ถ้าจะห้ามอย่างเดียวคืออย่าเขียนด่ากันแค่นั้นแหละ อย่างอื่นจะได้ทาไงได้ล้ะเกิดบามีกรรมกรรมอะไรกรรมไม่ได้หนังสืออย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นถามได้ปฏิบัติยังไงอะไรยังไงมันทุกข์ไงโทรมมันทุกตรงไหนอะไรมันทุกตายตรงไหนอะไรไม่ตายเอาบอกถามได้ไม่ออกพอาะออกค้างตรงไหนปฏิบัติไปติดตรงไหนเอาเลยอาตมาชอบฟังแล้วก็ชอบตอบด้วยน ะ, ะแล้วก็ไม่มีผิดด้วย แตจะให้เล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเนี่ยวันนวันนั้นแหละมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละไม่ไม่หนีจากตรงนี้หรอกพยายามตั้งใจกันดีๆอย่าให้มันทุกข์จะให้มันบากใจมันจะทูกไงแยกแยะออกให้ได้แยกแยะทุกข์ออกจากตัวเองให้ได้ให้มันสุขเกิดเป็นคนมาชาตินี้ให้มันถูกหน่อยเทำบุญทําบิร์นี้อย่าไปคิดว่ามันจะไม่ได้ได้ถึงเราทําไปบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเนี่ยเอาได้แน่นอนไม่มีผิด ร้านเปอร์เซ็นไม่มีผิดเลยนี่แหละบุญตัวนี้ที่ช่วยได้ยังอื่นช่วยไม่ได้ออยังอื่นเอาไปได้ไหมสมบัติจะมากขนาดเอาไปไม่ได้บุญตัวเดียวเท่านั้นที่เอาไปได้อย่างอื่นไม่มีเอาไปได้ไปได้อะไรไปแต่ใจสังขารทิ้งไว้ตรงนี้แหละเมื่ออยู่กันแล้วเมนูกันแล้วสังขารอย่าไปคิดว่าความสวยความงามมันจะเกิดขึ้นในตัวเอง ไม่มีเรามีแต่ของสมมติถ้างั้นคชิงตระกูลถ้างั้นแล้ะสักวันเ่าก็ต้องเน่าเหม็นอยู่ดีอย่าไปคิดว่าจะอยู่ได้ตลอดไอ้บางคนะกลัวจะของตายไม่กลัวได้ยังไงถึงกลัวมันก็ตายมันไม่หนีไปไหนหรอกตายแน่นอนไม่ช้าหรือเร็วแท่นั้นแหละจะรวยยังไงก็ตายจะยังไงก็ตายไม่มีผิดไม่ว่าอะไรถ้างั้นของพวกเนี้ยดูให้ดีๆ ด, ดูเวลาตัวเองเป็น ตัวทุกข์มันอยู่ไหนอยู่ที่สังขารดูให้ดีสักวันก็ต้องเก็บต้องปวดนั่นละตัวทุกข์ไม่เคยเอาสุขมาให้เลยดูให้มันดีมันทุกข์จริงนะไม่เชื่อลองดูสังเกตดูให้ดีๆสังเกตดูในสังขารตัวเองดูให้มันดีดูให้มันแน่ใจว่าไอ้ไรมันเจ็บไมนปวดอะไรมาเอาทุกข์มาให้อะไรมาเอาสุขมาให้สุขใจหามาให้ได้เราต้องละละอะไรละที่ใจนั่นแหละมันจะเอาสุขมาให้เรา ทุกนี่คือสังขารนี่แน่นอนแต่เด็กๆยังหนุ่มๆย้งก็ไม่ทุกหรอกสังขารมันไม่เป็นไรหรอกไว้งั้มันจะเก็บแต่อย่าให้มันทุกอย่าให้มันทุกใจพยายามละมันถ้าทุกใจมันหนักกว่า ง, งนะอื่นนะเหมาะโดนฆ่าได้นะ่ะไอ้ใจตัวนี้แหละฆ่าเขาได้ไม่มีตัวบงคับมันคือสติเท่านั้นที่บังคับมันระวังสติอย่างเดียวเอาสติบังคับมันหน่อย ตัวรู้สติตัวยังไงตัวบังคับสติเท่านั้นที่บังคับใจได้มันรู้ทันต่อไปมันจะรู้เลยรู้อะไรถ้ามันเป็นอัตโนมัติแล้วมันรู้เลยรู้เขารู้เรารู้ทุกอย่างกิจคิดเฉยมันการรู้ตัวห้ามใจก็คือสติถ้ามันเป็นอัตโนมัติน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยรู้ไปหมดในตัวเองมันจะคิดอะไรแต่ยังไงอะไรยังไงรู้ไปหมด พอบางทีคิดมาปุ๊บตัวปุงแต่งเนี่ยใจปุงแต่งมาปุ๊บมันตัดเลยคิดไม่ทันเลยจะพิจารณามันยังไม่ยอมเลยบางทีมันตัดเลยตัดลาปักแป๊กเลยตัวนี้เลยตัวมันตัดตัวสติปัญญานี่แหละตัดเลยออืคิดยังไม่ทันเลยบางทีคิดมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ได้พิจารณามาเลยมันตัดแลหละมันไปอัตโนมัติมันเป็นถึงขนาดนั้นเถอะนะต้องเอาให้เห็น เห็นที่ไหนเห็นที่ใจรู้ที่ไหนรู้ที่ใจทุกที่ไหนทุกที่ใจเวลานี้พันนี้พันที่ไหนนี่พันที่ใจเอาใหทุกวันนี้ทุกขนาดนี้ต่อไปเอาเอาให้มันดีๆหน่อยให้มันสุกไปกว่นนี้อย่าไปคิดเลยลูกหลานอะไรต่ออะไรพอละไ้ละไปให้ตัวเป็นตัวของตัวเราอย่าเป็นตัวของสื่อเลยเดี๋ยวมันจะไปเป็นลูกเขาแล้วแม่เป็นลูกลูกเป็นแม่มันจะเกี่ยววนกันอยู่ มดไตขอบดงไงสังเกตดูไหมมันจะไม่ออกมันจะอยู่กันหมุนเวียนอยู่กันะเนี่ยเอาของจางเอาอะไรไปฝังไว้ดินก็ไปเฝ้างกิจมันอยู่อย่งั้นมันก็ไปเฝ้าอยู่งั้นนะผีหลอกหลอกเขาว่าแต่จริงกิจเนี่ยมันไปเฝ้าอยู่งั้นเฝ้าอะไรเฝ้าสมบัติของตัวเองเนี่ยคือมันห่วงไงไอความห่วงนี่กิจนี่ติดอยู่ที่ไหนอยู่แน่นอนไม่มีไปกิจกระจายเมื่อตัวเดียวกันต่อไปมันถ้าพรทสงฆ์มาได้กริงมันจะเป็นหนึ่ง ถ้าละไห้จริงมันเป็นหนึ่งแน่นอนเอาให้ได้ <c oughs> ถึงไม่ได้ก็ขอให้เห็นเห็นตัวเกิดตัวตายพี่เราจะไปทางเราจะเดินให้เห็นถึงจะเกิดกระช่างมันแต่รู้รู้จักว่าทางเราจะเดินเราจะไปเราจะไปดีหรือไปชั่วให้มันรู้รู้ที่ไหนรู้ที่ปฏิบัติใจเรารู้แน่นอนเอาให้มันรู้ทางจะทางเดินเราหน่อย แต่น้อยคนที่จะพูดอย่างอาตมา่ะอาตมาพูดเอาเจ็ดตัวมันทางนั้นเลยน่ะไม่ว่าเอาหนังสือมาพูดนะไม่ได้อ่านอ่านไม่ได้เอาที่มันเห็นเนี่ยถ้าไม่เชื่อทําดูแป๊ะไม่มีผิดเอาเลยถ้าพูดถึงเออถ้าพูดถึงเออมันติดมันขัดตรงนี้ไว้อ่าถามใครไม่เจอถามใครไม่ได้โทรอาตมามาเลยจะนั่งรถมาถามมาให้ถามเออเอาอย่างนั้นเลยนะ ไม่ต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปบรรยายกันมากไนะบรรยายไม่เป็นเอาเอาตัวจริงๆให้ฟังเลยเขาได้เขาได้อย่างงี้พระที่ได้ก็ได้อย่างนี้เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีผิดกันสักหน่อยแต่ว่าให้อัตมารบรรยายหมดมันคงไม่จบหรอกแต่เอาบรรยายแค่ว่าเอาตัวจริงๆมาปฏิบัติอย่างไรใจอย่างไงเอาใจให้มันเนื่งใจให้มันเป็นธรรมทำอยู่ในทำอยู่ที่ใจอ๋อ ไอเรื่องแค้งเรื่องหานี่ยฉันจะเอาจริงไม่ต้องไปห่วงมันอ่ามึงไม่ตายกูตายซะจะเอาจริงๆรอันี้เราทําไม่ได้เพราะว่ามันยังมีโลกอยู่อ่าไอท า, างโลกาทางธรรมไปด้วยให้มันอย่างละครึ่งอ่ะครึ่งกลางกลางทำนี่ทําอยู่บ้านเราให้มันติดต่อกันอย่างไม่เลยต่ออ่าวันหนึ่งห้าสี่สิบนาทีทําไปเถอะมันจะสบายใจใครสบายใจตัวเองอให้มีสติทําอะไรให้มีสติรับรอง ได้แน่นอนเห็นแน่นอนเห็นนิดเห็นนิดจริงก็ยังดีดีกว่าไม่เห็นเลยอเอาให้มันแน่อย่าให้มันทุกข์ทุกข์กันมันทุกข์ขึ้นมาอ้าบางทีคิดถึงคนนี้เอาดาราคนนี้เอา้าวบางทีอยู่วันอ่ะบางทีเจะเลิกเมียนะ่ะผมโมโหให้เมียผมออกมาแล้วยผมาเอามึงจะไปเลิกได้ยังไงล่ะแล้วจะไปเลิกได้ไงผมเลิกแน่ๆแล้วผมต้องไปผมต้องไปแล้วเออเอาขึ้นไปนั่งดูหน้าพระก่อน ไอ้ไอ้พระประธานเนี่ยมันนั่งรูปักยังไม่เท่าไรเลยนั่งยังไม่นานเท่าไรเห็นเดินกลับอะไรลูกปู่ผมไม่ไปแล้วผมไม่เลิกแล้วเมียผมจะกลับแล้อ้าวทําไมล่ะเอ้าก็ผมคิดได้แล้วอ้าวไอ้คนมันเปลี่ยนได้ไวจังเนี่ยไอ้พูดเมื่อกี้นี่บอก่จะเลิกจะเลิกแล้วโมโหจัดอะฮโมโหมันเป็นบาปแล้วพะให้ไปหนั่งอาไปนั่งดูหน้าพระประธานหน่อย ไปนั่งดูจะพักนึงเอานั่งวิธีไหนลูกเอานั่งวิธีนี้เอาเราทําดูทำดูจะพักเอาคิดให้ดีๆนะเอาคิดถึงกับมโหตัวเดียวนะเอามึงจะไปคิดอย่างอื่นนะเอาเลยมันโมโหยังไงมันว่าไงเอาลองคิดดูดิคิดไปคิดมามันก็สส่างไปส่างไปส่างมันมันสั่างอะไรส่งเหล้าไงสามประชาพก็คิดได้แหละเห็นไหมแหมเพราะเขาด่าหน่อยกินเหล้ามาเขาด่าทําธรรมดาอยู่แล้วเอ้าโดมโหอีก บ้าเอ้ยบอกไปมโหูทําไมอะตัวเองกินมาใช่เปล่ากินเอากินแล้วไปโมโหทําไมเล่าเออแล้วตัวเองกินจริงๆอ่ะกินแล้วไปบ่นเลาเขาเงินแทนที่จะมาให้ลูกใช้เงินไปโรงเรียนห้าบาทสิบบาทไม่ใช่เอาไปกินเหล้าเออดูมันเอาไปกินเล่ามันมีมีอีกไหมไม่มีแล้วเอาไม่มีแล้วลูกขอไปโรงเรียนไม่ได้หลวงปู่เอาไม่ได้มึงเมื่อมึงจะทําไงล่ะไม่ได้ก็ไม่มีอ่ะ เองั้นไปหาที่บคนอื่นให้เขานี่ให้ลูกขาดโรงเรียนได้ไงละ่ะให้ก็เอาไปท่านี่ยี่สิบสามสิบทเอาไปให้เขาซ ะ, ะให้มันไปโรงเรียนจบล ะ, นละอบางคนเราไปทานทานไม่รู้จับตัวทานเอาหน้าไงเอมีกันอยู่ร้อยหนึง่งบางคนเรไปละไปทานทานที่ไหนไปทําบุญต่อเขาเห็นคนอื่นเขาบอกเป็นร้อยตัวเองก็น่าจะออกสิ บ, บาทนี่ร้อยเอาไา้ให้ลูกครอบครัวมั่ง เอาเอาให้สิบบาทซะทำบุญไปสิบบาทสิบบาทก็เป็นบุญเอือโดยเป็นอะไรอ่กะกลับไปถึงบ้านเอา้าลูกของเงินไปซื้อขนมหรือไปโรงเรียนเอาไม่ได้แล้วไปไหนแล้วเงินที่ทำงานเมื่อวันเอาถวายพระไปแล้วบ้าว่าเออเห็นไหมมันต้องรู้ประมาณประมาณเรากะคำนดขนาดไหนมีร้อยหนึ่งให้แค่สิ บ, บาทห้าบาทก็พอแล้วดูดิเอาวัดนึ่งอะ่ะแม่ออกเท่าไหร่ อย่าลืมนะเมืองไทยนะี่เนี่ยหลายล้านคนนะอืมวันหนึ่งเข้าไปเท่าไหร่สิบคนตกไปเท่าไหร่คนละสิบบาทเอา้าอคิดดูแลปีหนึ่งล่ะอย่าไปคิดนะใครจะว่าไงกันแล้วแต่พระบอกว่าไม่มีเงินอย่าไปเชื่อมันเถอะน ะ, อะเอาจริงๆรินอกจากว่าเอาจะทำนี้นู่นทำนี่มันเอาไปใช้มากกว่ามันไม่เอาไปทําของจริงอะ่ะ เออให้เขาใครทำที่เออไอ้อ น, นี้มันทําอย่างนี้นะไม่ออกนะไม่ออกก็ทําเองเถอะจะจะทําก็ทำเองเ จ, ะ จ, ะจะซื้ออะไรซื้อเลยอาจจะมาไม่เอาหรอกเอาทํากระแพงทําเลยอไปซื้อปูนมาให้หิซื้ออะไรมาให้เอาจ้างค่าอะไรเขาเลยอาจจะมาไม่ไปจับหรอกพ อ, เ, อเขาไปทําของเขาเอางพอทํามอาหมดเงินเท่าไหร่เงินได้เท่าไหร่อะไรยังไงเราก็รู้รู้ก็จดไว้ทีอั น, นี่เอาไปยังไงวะบางที กลัวโยมจะไปจับเงินจะของฟันเอง เ, เลย mm. เห็นไหมะทะเลาะกันชาวบ้านอีกอ้าทะลเลาะกันไปใครละผิดละ่ะ mm. เขาว่าเพยโยมผิดโยมบ้าดิพระเนี่ยผิดอ่ะเอออเาไปทไําไหมแล้วก็ต้องมีกรรมการมั่งให้เขาดูแลบางทีเอออค่าใช้ใจ่ายอะไรเขาจะจดมาเขาจดหนังสือเป็นเราไม่เป็นรเรนะ า, รมารนะไม่รู้เรื่องหรอกนะอาจจะมาอย่างอาตมานะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าคนอื่นเขาจดได้ เท่าไหร่อะไรยังไงค่าของเท่าไหรอะไรยังไงก็ตีออกไปก็ได้แล้วเขาไปทํางานการเขากินมั่งใช่ไหมไม่ไว่าอยู่ห่วงไว้ทําไมล่ะคนเขาทําได้คนเขาไปช่วยเราเละเอาชาวบ้านก็ไปช่วยเราการเขากินมั่งเป็นของธรรมดาจะไปไล่ดิไปไล่มันทำไมล่ะมันจะกินสักกี่บาทก็ปล่อยมันดิมันไม่กล้าเอาหมดหรอกมันกลัวบาปเหมือนกันใช่ไหมอ่า อาจารมาแล้พูดจริงๆอ น, นะยังปฏิบัติกันเหมือนกันไม่ได้จริงมั้งได้ไม่ได้ก็ลองถามดูดิอันนี้มันเป็นยังไงจะติดไหมอันนี้มันเป็นยังไงจะเอาได้ไหมจะพูดได้ไหมเอาให้รู้ดิอ่ไม่ได้ห้ามนี่พูดมาเลยถามมาเลยพอถามได้ก็ถามเอ่ถ้าถามไม่ได้จะมาเดี๋ยวก็จบเลยนะอ่าจะจะจะไปพูดอย่างอื่นก็พูดไม่เป็นนะ ครับมีใครจะอ่าสอบถามหลวงปู่ไห ม, มครับเอาไม้ได้เลยนะครับในการปฏิบัตินะครับมีถ้ามีก็สอบถามขึ้นมาได้เลยนะครับเอไม่ต้องเอาไม้ไปหรอกพูดออกมาเลย <c oughs> เสียงดังอยู่แล้วไม่กลัวอะไรล่ะที่ธรรมะของหลวงพ่อถึงใจมากครับผมก็พูดถึงมันจได้มาอย่างนี้แล้วแต่จ ะ, จะคิดว่าจะโกหกนะออ อาตมาไม่โกหกหรอกอาตมาได้มาอย่างนี้เห็นอย่างนี้อาต ม, มาพูดให้ฟังอย่างนี้ไม่ได้เอาตัวหนังสือมาพูดมาแต่นิดเดียวคือว่ามันไม่ได้หนังสือก็ไม่รู้เรื่องเขาจะไปอ่านหนังสือมาพูดให้ฟังก็ไม่ได้เพราะเขาอ่านไม่ได้ก็ได้มาอย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นก็ตายอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้เอาไปถึงไหนอาตมาจะพูดให้ฟังอย่างนี้อยู่ใครมั่ก็อยู่กับพวกเนี้ยเออพระมีกี่รูปในสมัยก่อนอาพระมีเท่านี้ก็พูดให้ฟังเท่านี้เออ ดยู่กใครมาก่อนใครเป็นผู้สอนก็หลวงปู่ขาวหลวงปู่จันทายยังไม่ได้สอนเลยประจอมายนี่กับคือคือคือผิดเวลาไหนก็ที่จะถามไปถามใครก็ถามหลวงปู่อุ่นล่าใจดีหน่อย อ, องอื่นไม่ได้แจกด่าตลอด อ, อย่างหลวงปู่มาตั้สามสี่วันนี่ตะโกนใส่สมัยอ้าวเป็นไรหลวงปู่เอาบาลมาเจ้าชันดิเพราะตะโกนเราลองว่ยเลย เอาไม่ออกตกใจอีกเห็นไหมอ๋อหลปู่บ้านไม่ธรรมดานะเอาจริงๆเลยเนี่ยพอๆเดินไปเดิมาเนี่ยเอานี่เขาตัดมาให้แล้วผ้าไหมเอาไปใส่หน่อยใส่จนตายนะวะผ้าชุดเดียวจะไปะใส่จนตายบ้าเลยอ๋อโอ้โหแต่ไม่ใส่หรอกผ้าไหมไม่กล้าใส่วัว <c> ม <oughs> ันจะแข่งพ่อแม่ครูอาจารย์ใหงพูดก่อนไอ้เรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ตรงเนี้ยเพราะว่าไม่ออกนะ เห็นแล้วเข้าไปเนี่ยหกสิบเจดสิบคนเนี่ยบางทีจะมาไล่ออกไปเลยเพราะว่ามีที่พักเออแล้วเสร็จแล้วที่พักมันไม่มีไม่ออกที่สาลาตรงนั้นมันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สาลาเพราะว่ามันเป็นครัวครัวเสร็จแล้วไม่ออกจะไปเต็มเงินก็ไม่ได้สงสารเขาจะไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้เพราะว่าหน้าพรรศาเนี่ยมันมันมันฝนตกเออสงสารเขาแต่ปีนี้อาจจะมาได้เงินที่ไหนบะมามามามา มาสวดมสองสามวันได้เงินไปเจ็ดแปดหมืน่นมั้งอาจจะมาเลยไปถมเลยตรงนั้นะ